พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13เมษายน2559หมีชื่อเรื่องว่าปลูกความรู้ให้คู่คุณธรรมเอาต่อนี่ไป หลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยจากนั้นค่อยส่งน้ำนะหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับการส่งน้ำของหลวงพ่อในวันนี้นะคณะทรไทาญาติโยมคือเป็นประเพณีหลวงพ่อเองจะปฏิเสธทีเดียวก็ยังไงเหมือนกับปฏิเสธชุมชนสังคมประเทศชาติที่นับถือกันมาที่เคยปฏิบัติกันมาหลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกัน เพราะนันการที่ส่งน้ำหลวงพ่อเองเคยไปเจอมาออมาแล้วรู้สึกว่าถ้าส่งน้ำมากๆก็ไม่ไหวเป็นการนะักนักสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะมือก็เย็นมันจะเป็นตะคิวอีกส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันมันจะเป็นลมมันเหนื่อยอีกต่างหากนะคนเข้ามาอย่างพวกเรามากๆที่นี้นะไม่ไหวจริงๆเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกคณกสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานนึกในใจว่า เราจะเอาสักกี่คนกลุ่มละสามคนแร้กลุ่มละสองคนอย่างท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอรหรือรองหรือคุณนายสามคนเป็นตัวแทนของมหาดไทยแล้วเป็นตัวแทนของทางอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านผู้กากับเลือกเอาเอกคนหรือสองสามคนทางผู้ใหญ่บ้านเลือกเอาคนสองสามคน โรงพยาบานกำนันน่นนายกเลือกเอาคนของสองสามคนผี่น้องประชาชนเลือกเอาอย่างน้อยนั้นก็ประมาณสักสิบกว่าคนหรือ20คนเป็นตัวแทนของพวกเราก็น่าจะเพียงพอนะพอสงวน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะให้สินให้พรในเมื่อให้สินให้พรแล้วหลวงพ่อจะมีเหรียญ เจ้าพกุลสําเร็จพระสังฆราชนะอแจกก็น่าจะทั่วถึงทุกคนนะเจ้าพกุลสําเร็จพระสังฆราชาติดนี่ติดเชื่อนะอลูกท่านทำทำได้ดีเขาทําได้ดีนะหลวงพ่อเตรียมมาแต่หลวงพ่อไม่ใช่เตรียมมาหรอกเขามีคนถวายไอ้ีมีคนถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เองน่าจะเอาอะไรน อ, อแจกพี่น้องลูกหลานในบรรษสงกราน หลวงพ่อกับมานระลึกได้เลานะเจะเา้าเจ้ารูปเหรียญอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านได้ล่วงลับดับขันไปจากพวกเราไปแต่คุณงามความดีของพระองค์ท่าน เ, าเป็นหนังสือเป็นคุณธรรมที่พวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัตเิเต็มหัวใจของพระศกนีก่อ ชาวไทยที่เรารักเคารพนับถือเจ้าพระคุณเจ้าเดจพระสังฆราชนะลุงพ่อจะแจกเมื่อลุงพ่อให้ให้สินให้พรแล้ ว, ลวพวกเราก็แยกย้ายกันกลับนะนี่แหละพิ ธ, ธีกรรมพิ ธ, ธีการขอให้พวกเราแต่ละหน่วยงานให้คิดคิดไว้ด้วยว่าเราจะเอาใครเป็นตัวแทนของพวกเราที่จามาส่งน้ำของลุงพอ่อถ้าว่าพวกเรามาลุมมาตุ่มเงินเข้ามาไม่ไหวแน่นะลุงพ่อ อายุถึงขนาดนี้แล้วคณะสัตย า, าญาติโยมลูกหลานจะนั่งนานๆนไม่ได้วันนี้เห็นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานวันนี้เป็นวันที่13เมษายน59เห็นคณะสัตยาญาติโยมที่จะมาส่งน้ําทำพิธีมดมด้าดาหัวในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับลูกหลานพอลูกหลานให้ความสนใจใส่ใจ ในวัดวาศาสานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวิญญุณขุนวุฒิในท้องถิ่นเมื่อสองน้ําหลวงพ่อเสร็จแล้วก็คงจะส่งบน้ำํำวัิญญาณขุนวุฒิในท้องถิ่นที่พวกเรารักเคารพคงจะมีต่อไปอีกเหมือนกันม่ใช่จะมีแต่หลวงพอ่พอเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งใจน้ําใจของลูกหลานเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพสักกา์ระให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ํา รู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าว่าพวกเรารู้จักเราสำเ น, นึกคิดไปอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานสืบทอดต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สอนกันไม่ได้แนะแนะํากันบอกกล่าวกันไปที่ไหนก็ไปไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักหัวไม่รู้จักผู้สูงอายุไม่รู้จักเป็นใครเป็นใครเด็กของเราก็จะเป็นคนแข็งกระด้างไม่รู้จัก เพราะนั้นพวกเราที่เป็นปู่ย่าตายายควรจะแนะนําบอกกล่าวที่จะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ให้เนาะค่อมตัวลงหรือว่าเราจะเดินผ่านใครที่เป็นผู้มีอายุ เ, าเราจะยกน้ํายกสิ่งยกของอะไรให้กับใครเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเหตุไรเพราะพวกเรามีเป็นวัฒนะวัฒนธรรมไทยนะไม่ใช่วัฒนธรรมต่างชาติ ถ้าวัฒนธรรมจางชาติอีกอย่างหนึง่งถ้าวัฒนธรรมไทยเระต้องรู้จักคุณพ่อรู้จักคุณแม่คุณป้าคุณลุงพี่ป้านออ้อาอาญาติกโก้ขงติกาผู้ใหญ่ออกเข้ามาควรจะยกมือไหว้อย่างไรควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรการอ่อนน้อมถ่อมตนนะะั่นแหะเป็นคนดีถ้าหาว่าไปที่ไหนแข็งกระด้างถ้าหาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นแล้วก็เอเ อ, เ, อเด็กลูกหลานของใคร ทำไมมันไม่สอนพ่อแม่มันไม่บอกไม่กล่าวแล้วนี่ทำไมซึ่งสอนลูกจากในแข็งกระด้างไม่รู้จักยกมือไหว้ใครใเฉลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนะมันก็บอกถึงพ่อแม่ไม่ได้ไม่ให้ความใส่ใจสนใจกับลูกของตนเองถ้าหาวันลูกของตนเอง เ, อเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวถึงจะอย่างไรมันก็ฝังลึกนะลูกจัตไทยญาติโยมลูกหลานนะ มันฝังลึกในกจิตใจของของลูกของหลานของพวกเราถ้าหากว่าพ่อแม่สอนนะหลวงพ่อเองเคยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กพ่อแม่สอนอย่างไรหลวงพ่ อ, อยังจำได้กระทั่งทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะแม่พ่อแม่สอนไปในทางที่ดีทางสอนใหม่ๆก็เอาเถอะลาคาลําคาลเอาหงุดงลมไปเถอะไม่อยากจะฝังแต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องนึกย้อนหลังเออสมัยนั้น พ่อของเราแม่ของเราได้สอนเราอย่างนี้อย่างนี้แสดงความเคารพอย่างนี้การทามาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ให้มันขยันอย่างนี้ให้เก็บหอมรอมริบอย่างนี้ให้รู้จักาการวางตัวอย่างนี้นี่แหละมันจะเป็นเข้ามันจะเข้าสู่จิตใจของลูกของหลานเพราะว่าลูกหลานของเราจึงเป็นตัวเด็กก็ตามตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตามคือพ่อแม่เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลาน ถ้าว่าพ่อแม่ทําตนไม่ดเีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกหลานนั้นก็ซึมลึกอีกเหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัทธาญาติโฉมทั้งหลายถ้าวา่าพ่อแม่ทําตัวไม่ดีกินเหล้าให้เขาดูทําอะไรพี่เลพเลนเพลนให้ลูกหลานดูต่อไปลูกหลานก็จะเรียนแบบกบระเป๋าเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วแก้ไขา ย, ยากพ่าะอะไรเพราะว่าตัวเองทําเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกหลานดูคนวารานก็จึงบอกว่า อยากจะให้ลูกหลานดีต้องทำดีให้ลูกหลานดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดูอยากจะให้ลูกดีก็ทำดีให้ลูกดูนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราที่เป็นหัวหน้าที่เป็นเจ้านายเขาหรือเป็นอาจารย์ของเขาหรือเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองเขาเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดี เป็นคนที่ดีเป็นตัวอย่างของลูกของหลานมันจึงจะถูกนะเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรจะทาตนเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของพวกเราพวกลูกหลานของเราจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำตนไม่ดีเป็นตัวอย่างให้เขาเขาก็จะยึดแนวแถวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยึดผู้ใหญ่ประพฤติตนที่ไม่ชอบมาพาคนผิด กฎหมายบ้านเมืองอพวกเราจะนั่นฝ่าฝืนไปหมดแล้วพวกเราจะปกครองประเทศชาติบ้านเมืองไปได้อย่างไรมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านี่จับเข้าคุกเข้าตารางไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมีแต่เรื่องที่มันเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราคณะสัทยา ญ, ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าพยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราเพราะลูกหลานของเราถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นผ้าขาวอยู่ ยังไม่มีเสียอะไรเป๋อเปลืน่นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นผู้มีปัญญาก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกับ ค, คนทีละนิดทีละน้อยวิธีการใช้คําพูดวิธีการาใช้ภาษาวิธีการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นผู้ใหญ่มาให้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละและก็ให้ยอมเสียสละยอมเสียสละก็คือมีอะไรก็รู้จักแบ่งปันแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้ผู้คนนี่แหละ การแบ่งปันเหล่านี้แหละเป็นอุปนิสัยนะการศรัทธาญาติโยบลูกหลานตาต่อไปต้าต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะถ้าเห็นพี่น้องตกทุกข์แต่ยากเขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้ถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่มีความจําเป็นเขาก็พร้อมที่จะแบ่งที่เขาหามาให้พ่อไม่ให้ให้พ่อให้แม่นะแต่ถ้าว่ามิจสอนให้เขาเก็บอย่างเดียวขี้ตนีทีเหนียวอย่างเดียว เ, เขาก็เป็นคนขี้ตะหนีมัธยัตเจงอยูุ่แต่ไม่ มันมองไม่เห็นใครไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครเฉลยอันนี้ไม่น่าจะถูกต้องวันนั้นพวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคงจะมองลูกหลานของพวกเราที่จะเป็นผู้รักษาสมบัติของเราต่อไปภายภาคหน้าอันนี้คือการเป็นอยู่การวางแนววางแถววางทายาทสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันรกรับวางทายาทในทางพระพุทธศาสนาอีกอว่า ลูกหลานเอ้ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำชั่วแล้วจะได้ดีได้ยังไงถ้าคนทำชั่วเห็นไหมแี่เกียรติเรียนหนังสือทำชั่วใช่ไหม เ, เป็นคนเกเรไม่เรียนหนังสือไม่เข้าห้องเรียนเป็นคนชั่วใช่ไหมแล้วทีต่อไปภายภาคหน้านะคนคนนี้เดี๋ยวจะเป็นครูโรงเรียนจะเป็นตำรวจทาหาราจะเป็นเจ้านายใหญ่เป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไหมแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะ ไม่ได้ทาไม่ได้ก็แสดงว่ า, เ, าเมื่อเขาทำชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรถ้าหาว่าผู้ใดทำดีตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีเป็นเด็กดีสอบที่ไหนก็ได้ทั้งหมดโรงเรียนไหนอสอบสอบได้ในเมื่อผด พ, พอดผ่านพ้นการเรียนแล้วเขาไปสอบที่ไหนเขาก็ได้เพราะได้เท่านั้นก็เป็นคนได้รับตำแหน่งที่ดีนะั่นแหละคนทาดีก็ต้องได้ดีจะไปชั่วได้ยังไง เว้นเสียแต่ว่าตัวเองทําดีแล้วทิศนิดสสาไปทางอื่นนะการเรียนดีอยู่แต่ไปชอบเกเรไปชอบชคต่อยตีขอนั้นอีกมันต้องดูหลายหลายด้านหลายหลายด้านได้หลายมุมเหมือนกันแต่ละคนนี่นะจะมันดีด้านหนึ่งมันเลวด้านหนึ่งเลวด้านหนึ่งมันดีด้านหนึ่งแต่จะให้ดีทุกด้านนั้นคนที่ดีทุกด้านนะเลิศประเสริฐแต่ถ้าหาว่ามันดีด้านหนึ่งเสียด้านหนึ่งอันนั้นก็เสียหายอยู่เหมือนกันน่ะ เรียนหนังสือเก่งก็อสอบได้ทั้งทั้งหมดชนะเขาทั้งหมดแต่ชอบเป็นนักเลงหัวไม้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็พร้อมที่จะจับเข้าคุกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเสียอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านข้ศราชกาญาติโยมทุกคนเนะ่ยแนะนำสัส่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเมื่อเหล็กๆ็กของเราเป็นคนดีแล้วพวงพวกเราจะต้องได้ดี ถ้าเราคนคนเลวแล้วจะดีได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกระพร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีท่าที่ว่าคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมคุณนั้นละเลิศประเสริฐในชุมชนสังคมโลกทั้งโลกเป็นที่ยอมรับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดมีความรู้ความรู้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายยอมรับคนที่มีความรู้ เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดปาดเปลืองเป็นคนความรู้แต่เทวดายัางไม่ยอมรับแต่เมื่อไรคนที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมคนนั้นมีเป็นผู้มีศีลมีธรร ม, ม, รรมไม่มีนอกไม่มีในเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนดีในชุมชนในสังคมเทวดาทั้งหลายยอมรับเพราะเทวดาเขาต้องมองมองทั้งในที่มืดทั้งในที่แจ้งเขามองทั้งสองอย่างแต่มนุษย์มองแต่ในที่แจ้งเห็นว่าเขาอู๋ขยัน ทำมาหาเลี้ยงชีพร่ำรวยแต่ว่าเขาทำความชั่วเสียหายเนี่ยมนุษย์มองไม่เห็นเมื่อเขาทำอย่างนั้นคือหมามนุษย์ก็ยกย่องกันโอ้โหคนที่ขยันหน้าที่การงานร่ำรวยแต่แต่ว่าการทำความชั่วของเขาในที่มืดน่นมองไม่เห็นแต่ในเทวดาถ้าเขามองเห็นทั้งในที่มืดทั้งในที่แจ้งเขาบอกว่าถ้าหาว่าผู้ใดมีความรู้อย่างเดียวอย่างไม่ยอมรับ เพราะมันมีความรู้ความรู้ตัวนี้สามารถที่จะทำร้ายทาลายแก่บุคคลกลุ่มใดก็ได้คนใดก็ได้ความรู้แต่ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจเขาจะไม่ทำความชั่วเสียหายเกิดขึ้นเขาเราเขาเราในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนแต่เมื่อเขามาทาให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเราจะไม่กันแกล้งใครเราจะเห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทาเราจะ ทำแต่สิ่งที่ดีนี่แหละคนที่มีคุณธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าคนมีแต่ความรู้อย่างเดียวเหมือนกับรู้กรกฎหมายอย่างนี้ถ้าพอรู้กฎหมายเห็นคนเสๆๆๆๆๆนื้อเชื้อสะสเขาคุณเขารวยอีกต่างหากเพราะรวยมรดกของเขาเนะ่ยไปการแกล้งเขาไปยุให้เขาทะเลาะ ก, กันผลในสุดกัตัวเองกเานานา็เป็นท่านายเป็นท่านอะไรเข้าไปไปนั่นเข้าไปกับไปคดไปโกงเอาสมบัติของเขาเพราะว่าเขารวยนี่นี่แหละอันนี้คือคนที่มีความรู้ แต่ขาดคุณธรรมแต่ถ้า่าคนมีคุณธรรมด้วยมีความรู้ด้วยจะทำอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราเขาโง่ก็จริงอยู่แต่เขาเป็นคนรวยมาจากตระกูลแต่เราไปทาให้กับเขาถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนอยู่ในสภาพเช่นกับเขาละ่ะถ้ามีคนมาทำกับกับเราที่ที่เราไปทำอย่างให้กับเขาด้วยนี้เราในความรู้สึกของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ แปลว่าคนนั้นมีคุณธรรมในจิตใจในี่แหละใหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะท่านจึงบอกว่าความรู้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายแต่ยังไม่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาคือผู้ที่มีจิตใจสูงเทวดาเป็นผู้มีจิตใจสูงนะเรียก ว, ว่าเทวดานะเทวะนะเะพราะนั้นผู้ใดก็ตามมีความรู้คู่กับคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไว้ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ประกอบคุณงามความดีด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยความรู้ด้วยเป็นธรรมด้วยแล้วก็การบริหารจัดการโดยธรรมการปกป้องดูแลทุกข์คนอยู่ในที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา อย่างหลวงพ่อเป็นผู้เจ้าอาวาสเป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อก็จะดูแลพี่น้องศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานของหลวงพ่อโดยธรรมผู้ใดก็ตามผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดูแลลูกบ้านโดยธรรมท่านนายอำเภอท่านผู้กากับดูลแลลูกน้องลูกน้องชาวบ้านโดยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีดูแลประเทศชาติลูกน้องโดยธรรมถ้าหากว่ามีศีลธรรม มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของพวกเราการอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันการกล่าวสโมโภชทันินียกคถาในวันนี้ก็ เ, เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัะนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไปสพแต่ความสุขความเจริญ